ที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจำนวนมากที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นในนิสักิยปาจิตตีสิกขาบทที่เก้านั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐานละ